ฟังธรรมะฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเอา <c oughs> ทําเอาดิตั้งสติให้มันต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็ของมัยา ก, กเราเถอะว่ามันยากใช่พุทโธต่อเนื่องกันฝึกสมาธิกิตตั้งมัน่นตั้สติต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอน จิตมันจึงเป็นสมาธิมันจึงมีพลังเรล่มันความความทุกข์ทั้งหลายที่มีหนักนวงอยู่ในจิตใจที่ใจเป็นผู้รับรู้นะเมื่อสติมันต่อเนื่องกันมันเกิดเป็นสมาธิแล้วมันค่อยเบามันค่อยเบามันค่อยปลอดโปร่งค่อยโล่ง นอนอย่างว่าเรานั่งภาวนาเนี่ยทีแรกมันหนักมันหนักมันหน่วงเหมือนกับพวกก้อนหินทับอพูดถึงความหนักพูดถึงความร้อนเหมือนกับไฟเาผาอยู่เนยอูดถึงความเย็นก็เย็นเหมือนกับเอาก้อนน้ำแข็งทับเราไหวพอสติมันต่อเนื่องกันมันกิจมันรวมข้อเป็น หนึ่งเดียวที่มันจึงเบายึงสบายจึงหายทุกเ์่เป็นอย่างนั้นในขั้นสมาธิขั้นสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาที่เคยปุ่งฟุง่งเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็สงบจึงว่าหายจากความ ความฟุ้งสังขารระงับได้สงบระงับความปรุงฟุ้งสัน้นแล้วก็อย่างเง้นเรื่องปัญญาครับพิจารณาไปพร้อมๆกันแหละค่วควรที่แรกมันใค่ควรก็เป็นสัญญาเมื่อมันต่อเนื่องต่อเนื่องกันเข้ามันรวมเป็นสติสมาธิปัญญาน่ยมันเป็นพร้อมรู้แจ้งใน สังขารรูปแง้งในรูปในนามโ อ, โอ้มันไม่ใช่อะไรมันอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่ผู้รู้รูแต่ผู้รู้รู้นี่ยมันก็ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ปรุงแต่งอะไรเนี่ยปัญญามันจะรู้ความจริงไปอรู้ร่างกายที่เป็นธาตุนี่ก็เป็นอันหนึ่งอะความจดความจําก็เป็นอันหนึ่ง ความนึความคิดที่เรียกจิตตังกับเป็นอาการห น, นหนึ่งเนี่ยความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยกับเป็นอาการห น, นหนึ่งความรับรู้รับทราบก็บเป็นเพียงรับรู้รับทราบสิ่งนี้แล้วก็ดับไปสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรสิ่งทั้งหลายเรานั่นเป็นเพียงเงาเป็นเพียงอาการเกิดดับเกิดดับแต่ผู้ไม่ เกิดไม่ดับก็มีแต่ธรรมชาติรู้วันนี้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรมันก็ว่างอยู่ในตัวของมัน่นมันจะเข้าใจด้วยปัญญาอย่างนี้ล็หายหมดปัญหาไปเรียกว่าเป็นความสุขแท้จริงได้ในเม มีเทานี่วิถีวิถีเดินมักมักแปดมัคคะปฏิปทาที่ในที่เราสวดธรรมจักรที่เราสวดอนัตตลขนสูตรวนี่ท่านแสดงถึงเรื่องขันห่านี่แหละอลูกเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าไม่ลูกความจริงนี่มันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่เพราะความจดความจันจำเป็นทุกข์อยู่เพราะ ความนึกความคิดจิตตังนึกคิดตึกตองสัญญาจำเล็หมายมัม่นยางนุ่นย่างนี่เนต่เมื่อรู้ความจริงมันมันแยกแต่ละอย่างละอย่างเป็นอาการของแต่ละอย่างละอย่างมันก็ไม่มีอะไรนครับมันไม่มีอะไรถึงทีว่าว่างจิตว่างว่างจากอุปทานไปยึด สัญญาทั้งฐานวิญญาณนี่เรียกว่าประชุมมรรคศีล ส, สมาธิปัญญาประชุมรวมเป็นรวมเป็นหนึ่งเป็นเฉพาะผู้รู้ธาตุรู้สิ่งทั้งหลายเรานั่นก็เป็นเงาของแต่ละอย่างละอย่างตามสภาพของเขาไป เนี่ยเมื่อเข้าใจในธรรมะในขันห้าเข้าใจในความเป็นจริงของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทุกแล้วก็ความอยากความไปรู้เท่าความอยากเรียกว่าสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาไปรู้เท่าความอยากไปรู้เท่ารู้ทัน ความอยากสงบระงับไปก็เป็นความไม่มีทุกข์วิธีของธรรมะเรียนว่ามรรคแปดเป็นเส้นทางเดินเข้าไปสู่ความสิ้นทุกข์ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ความสิ้นทุกข์มันสิ้นอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางไม่ใช่เส้นทางเป็นที่สิ้นทุกแต่เป็นเป็นที่เดินไปสู่ที่สิ้นทุกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นมาเหตุใจเท่านี่แหละใจของแต่ละท่านแต่ละคนใจแต่ละดวงละดวงที่มันเป็นสมมติขึ้นมาเป็นวงเป็นดวงแล้วเนี่ย อันนั้นก็เลยแบบพระสมมุติไปจัดการมาปฏิบัติเพื่อรู้สมมุติอะไ น, นี้แหละเข้าใจสมมุติทั้งหลายทั้งปวงไม่หลงก็เป็นวิมุติเป็นความพ้นจากสมมุติอไม่หลงสมมุติไม่มีทุกข์ไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องปล่อยวางว่างเนี่ยเมื่อเมื่อมันเข้าถึง เมื่อเขาเข้าถึงผลแล้วการการดำเนินเหตุการปฏิบัติการดำเนินเหตุอย่างว่าเราจะมาตั้งสติให้มันต่อเนื่องกันนี่ก็โอ้ยมันก็ยุ่งยากเพราะมันมีสิ่งที่ให้ยุ่งยากอยู่ภายในนั่นแหละคือเชื่อของกิเลสเชื่อของความหลงมันยังมีอยู่มันก็เลยยุ่งยากแต่เมื่อเผาผลานเข้าไปด้วย สติเป็นตะปะธรรมเทียนเข้าไปเอาพานเข้าไปเผาพานเข้าไป เ, เมื่อมันหมดเชื่อให้ยุ่งยากแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรยุ่งมันก็เลยสบาย เ, เนี่ยไม่มีไม่มีอย่างอื่นมี่ท่านี่แหละอพปฏิบัติปฏิบัติเพื่อเข้าใจในธรรม ะ, ะสติ ต่อเนื่องสมาธิมั่นคงปัญญารอบรูประวางไม่มากไม่มีอะไรมากนี่เป็นเส้นทางรัดทางอันเอกทางมีเส้นเดียวทางมีอันเดียวที่นั่นว่าเอเอกยมร์เเอกายโนยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยา เดินในกายในจิตเนี่นสติสมาธิปัญญาก็อยู่ในจิตในจิตในใจรู้แก้งสว่างในจิตในใจเนี่ยจะเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นปัญญาทำให้เป็นวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมได้ รวมอยู่ในใจจึงว่าใจเป็นฐานใจเป็นมาเหตุถ้ามองหานอกจากนี่ไปเราไม่เจอไม่เจอวุ่นวายวุ่นวายเร่าร้อนรวมขอมอตรงนี่เห็นความจริงลูกความจริงทําลายความหลงอยู่ตรงนี่เป็นความสว่างเกิดขึ้นอยู่ตรงนี่ที่ใจนี่แหละ นี่ให้มีความเพียรเพ่งอยู่ <c oughs> ทาไปเรื่อยรักษาศีลไปเรื่อย่อภาวนาไปเรื่อยสีลังเทติภาวนางเทติทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยไม่ต้องไปหวังผลไม่ต้องไปเพ่งถึงผลรูล้ว่านี่คือเส้นทางเดินค่อมหน้าค่อมตาเดินเดินเดิน พอไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็สิ้นสุดเท่านั้นออกแกว่วงแหงความทุกข์ความวนเวียนได้ส่วนเรื่องสมมุติในโลกอันนี้ที่เราทํากันมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีที่สิ้นสุดออเรามีทุกมียากอันนั้นอันนี้อหาไปแก้ไปแก่ มันก็เปลี่ยนวาร ะ, ะเปลี่ยนอาการกันไปนีนี้นี่หน่อยแล้วก็วนไปเวียนมาของเกานี่แหละเลยมาทุกอยู่เพราะความโลภโกรธหลงความอยากความรับผิด ช, ชอบอในสมมุตินี่ก็อยู่อย่างนี้แหล ะ, ะที้เมื่อเดินตามมรรคทางออกจากทุกคือศีล ส, สมาธิปัญญาละ่ะ อันนั้นมันค่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยจนที่สุดก็จะออกไปได้โดยสิ้นเชิงขาดลอยไปเลยนี่ด้วยความเพียรที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> <c oughs> นี่ให้ดูที่นี่ดูที่กายที่ใจฝึกตรงนี้ไม่มีไม่มีมมาศาสดาไหนไม่มี ผู้สอนอะไรที่ไหนอีกจะมาบอกว่าทำง่ายง่ายทำง่ายง่ายนึกเอาง่ายๆให้มีมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นะพุทธศาสดาแห่งพุทธรูปตื่นเบิกบานคือรูปความจริงศาสดาอื่นนอกนั่น ก็บอกไปได้แต่ไม่ถึงที่สุดงงอมไปยังแค่นั่นล่ละแต่ศาสดาแห่งพุทธเน่ยอรู้เข้าใจความเป็นจริงเนื้อเรียกว่าผู้ผู้เดินตามทมที่สุดแห่งทุกขโดยชอบได้นั่นเป็นจุดมุ่งหมาย ที่สอนรรมาทำสอนจิตสอนใจเพื่อจะให้พน้นจากห่วงแหงทุกวัถทุกนี่วัฏฐ์สงสารรู ป, ประโลกกามะโลกรู ป, ประโลกอรู ป, ประโลกนี่มันเป็นห่วงแหงทุกเมื่อถีบตัวออกไปด้วยสติปัญญาเหนื้ ตามมาโลกรูปพระโลกโลกอรูปพระโลกแหละจึงไม่มีโลกอะไรเรียกว่าโล ก, กุตรธรรมธรรมเหนือโลกมีความเพียรชีวิตจิตใจของเรายังมีอยู่้ายกับใจยังอาศัยกันได้อยู่เพียรประพฤติปฏิบัติไปเจริญเมตตาภาวนานไม่ต้องได้หาสิ่งแรกเปลี่ยนอะไรที่ไหนหรอ ยังตั้งสติเข้าไปเพ่งเลงเข้าไปไม่ท้อถอยไม่ทอดทุระเท่านั้นละเสือมัน่นศรัทธามั่นคงเข้าไปวิริยะเพียนไม่ท้อถอยศรัทธาวิริยะสติละรึกเข้าไปปัญญารอบรู้เข้าไปจรงว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำงานกลมกลืนกันไป ทาสิ่งที่มามแทรกแซงอยู่ในธรรมธาตรู้นี่ให้เป็นธาตุบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่นอกเหนือไปจากที่นี่นี่มีความเพียรพยายามไปท้อถอยในที่สุดก็จะ ประสบพบความสำเร็จพ้นทุกไปได้ตามความปรารถนา <c oughs> อัละมันอุท <c oughs> านุภาเวนะธรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะสะทาโสตีฮาวันตุเต